หากนั่งตามสบายจะนั่งคัตมาคัสมาธิกัสมังคัตสมาธก็ได้จะนั่งครับเพียบจะนั่งตามอัธยาศัยนั่งให้สบายเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญที่พวกเรามารวมกันวันนี้ก็มี <c oughs> เป็นอันว่าเป็นวันที่พวกเราจะได้ อและลึกละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าแ่นละเนว่าชาวพุทธพวกอ่าที่ถือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือศาสนาก็คือว่าให้และลึกอยู่เสมออ่ถ้าเราละลึกอยู่เรื่อยให้ชำนานให้อแปลว่าความชำนานนี่หละ จะเป็นหนทางแห่งแห่งรู้รู้จะรู้อะไรก็รู้ที่ตัวของเรานี่ลหละตัวของเราเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ว่ามันแปรปวนแปรปวนอะไรคือว่ามันไม่จริงไม่จังไม่กีรังย่างเยินไม่คงไม่ทนไม่สาวรนับ แต่วันที่จะก่อนไปเรื่อยถูกแสงแดดถูกอะไรถูกล้มถูกแรงก็ค่อยหมดไปหมดไปก็วันนี้เป็นวันที่ว่าพวกเราจะได้มาแล้วลึกพิจารณาแต่มันลืมตาก็ได้แต่ลักตาก็ได้อ่าแปลว่าภาวนาแต่ว่าถ้าลืมตาเนี่ยมันจะอืเห็นหลายอย่างถ้าหลับตาเนี่ยมันจะเห็นแต่ ให้เห็นแต่ลมหายใจเข้าออกอะลมเข้าไม่ออกมันก็ตายลมออกไม่เข้าออมันก็ตายมันตายอยู่ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอท่านว่าเป็นผู้ที่ว่าไม่ประมาทอเพราะว่าออลมหายใจเข้าออกบางทีมันก็คล่องบางทีมันก็ไม่คล่องเหแต่ว่ามันก็ เดินพวกมันอยู่นั่นแหละเหมือนลมหายใจเหมือนเหมือนอย่างนาฬิกาเนี่ยเดินอยู่หมุนไปหมุนมามุนเดินไปมันมาถ้าเราละลึกพิจารณาตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกท่านว่าจิตตภาวนาคือว่าทําจิตใจของเราให้มันมีให้มันรู้ขึ้นมาที่ลมหายใจ ท่าว่าพิจารณาลมท่านกัว่าพิจารณากายเหมือนกันเพราะว่ากายมันอาศัยลมเออมันอาศัยซึ่งกันเลยกันถ้าพิจารณาลมท่านก็ว่าพิจารณาความตายอพิจรารณาเพราะว่าของสองอย่างเอาศัยซึ่งกันเลยกันอนาบทำนามมารมก็รูปธรร ม, ม, มนี่ยแต่ว่า พวกเราไม่ได้ระลึกอยู่เสมอมันก็เลยลืมลืมลงหลงความหลงความลืมนี่แหละมันเป็นเหตุให้พวกเราล่ะถ้าจะ <c oughs> จะทำอย่างไรก็วันนี้ก่อนวันนั้นก่อนอยู่นั่นหาแวหาแต่หาแต่เรื่องที่จะหลอกตัวเองอยู่นั่นมันก็เลยช า, าเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทาง พอจะฉะนั้นท่านจะบอกให้แล้เลิอกอยู่เสมอยกจิตขึ้นพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพูดว่าเป็นเครื่องค้อจรของจิตถ้าจิตได้มีอารมณ์อยู่จิตจะรักษาจิตเองเป็นจิตที่อ่อนโยนเป็นจิตที่ควรการงานเนี่ยเพราะว่าเราจะทําให้เป็นจิต ที่อ่อนโยนได้ก็ต้องดัดต้นแป้งต้อง แ, งองอแก้ไขกันอยู่ไม่ใช่ธรรมดาเราจะมาทําเอาไว้ง่ายๆทาเอาบุดเดียวไม่ได้เพราะว่ามันของละเอียดมันเป็นของละเอียดท่านว่าปาณีตนักสุกขุมนักสุกขุมนักปาณีตนักนี่เพราะว่าคนมันดื้อยากจะทําแต่ทําได้แล้วเหรอพี่ว่า อ่ามีประโยชน์มากอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำมาก่อนแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ทํามันตัวอย่างมาแล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่อยากทำพเพราะ็นไรเพราะมันขัดทำมันทำยากฮคล้ายๆว่ากินของที่ไม่ทะทะแถลงอะไรของฝาดกินก็ไม่ใครจะอะร่อยแต่ว่า กินลงไปแล้วมันเป็นยาของขมบางทีไม่อยากจะกินเอาแต่ของหวานนี่นหละฮะมากินมันทึงเกินง่ายนั่นแหะแต่กิเลสเนี่ยมันคล้ายๆกับของหวานมันไปง่ายมันก็เลยชอบทําไปแต่นั้นแต่ว่ารู้จักก็รู้อยู่ว่ามันเป็นของไม่ดีแต่ว่าจะไม่ทึ่งไปซ่งเสพอย่างพวกยาเสพติดหรือพวกอะไรเนี่ย าก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายอยู่ทำไมจึงไม่ทำเพราะว่ามันอความหลงตัวนี้มันทำมันจะทำให้คนเรากระเลยทำไปจนเอาไปเอามาก็เลยเกิดเรื่องนั้นที่แรกก็ไม่เป็นไรต่ไปมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานี่แหละทนต้องาให้ละเว้นซะอย่างที่เราสมาทานไปแล้วเนี่ยแะ สินห้าเนี่ยอห้าที่จริงก็มีอยู่ในเราแล้วหัวหนึ่งแขนสองขาสองรวมกันเป็นห้าแล้วเราอะไรมาจากพ่อจากแม่เราแล้วแต่ว่าเราไม่ได้รักษาเราปล่อยให้มันไปตามกระแสของมันมันก็ไปเหมือนอย่างน้ำที่มันไหลลงมาจากทางเหนือมันก็มาท่วมมาที่มันต่ําอะที่ไหนมันต่ํามันก็ท่วม อันนี้เหมือนกันอะกิเลสมันก็ไปตามกิรินันของมันจิตมันก็ล่องไปตามกระแสของมันถ้าเราไม่ยกมันไว้มันก็ไปเออเพราะมันชานานถ้ามันชานานที่ไหนมันก็ไปท่านั้นนี่แต่ว่าที่เราทําจิตภาวนาเนี่ยมันยังไม่ชานานการสวกการเสกนี่เรายังไม่ชานานนานทีมาทำทีมันก็ไม่เออคือเราไม่ได้ทําติดต่อกันมันก็เลยเออ ไม่เข้าใจแล้วก็ว่าอเมื่อไหร่มันจะได้สักทีวะเออกระเพาะเรามันทําไม่ติดต่อกันความชานาญไม่พอเออ <c oughs> อยากได้ยู้ไตรัดโอ้เมื่อไหร่จะได้ไตรัดสักทีทวะเอาเราไม่ทํามันจะได้หรือเหมือนอย่างเราไม่ทํานานีแ่แหละเราอยากปรารถนาอยากได้ข้าวได้เลย มันจะไม่มีอะไรไหนปล่อยให้มันเป็นนาล่างนาป่าอยู่มีที่ดินก็ไม่ทาอะไรขึ้นมันไม่ทำกกเกษตรไม่ทาปลูกข้าวปลูกอะไรขึ้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็มีร่างกายอยู่หัวสองเขียนหัวหนึ่งเขียนสองขาสองก้องกว้างศอกยาววานาคืบนี่แหละเราไม่ได้ทำอะไรให้มันเลยปล่อยให้มันเป็นที่ว่างเปล่าอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ ชิ้นไม่มีทานไม่มีสมาธิไม่มีมันจะเกิดอ <c oughs> มันจะรู้ได้ขึ้นมากยังไงพราอมาได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้เคยเลยเลึกแล้วไม่เคยทุกขังอนนี้จังเลยแล้วไม่เคยเล ย, ล, เ ย, เ ล, ยเลึกเลยแล้วลึกแต่ว่าโอ้ยไปทางโน้นก็สนุกสนานแะไรเพลิดเพลิ น, นไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสมันก็ไปทางนั้นแหะมันจานาน นะ่ะหล่ะเรามาดูคิดดูว่า <c oughs> ที่จะปฏิบัติอ่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามาคิดว่าเออผู้ที่จะตั้งใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีส่วนมากหรือว่าเป็นของทำง่ายง่ายโอ้ทําเมื่อไหรก็ได้หรอกเออเมื่อแก่เท่าเมื่อทำเมื่อไาก็ได้เฮไปซะไหน เพราะว่ามันขัดกิเลสมันไม่อยากทําภูมันไปทํอย่างอื่นพุ่นเออทําที่มันต้องการไปหาเทีย่ยวหาเตะหาอะไรตามนี่ของมันมันอยากจะไปทางนูน้นเออไปของเออมันเมาอะไรไปเท น, นั้นเพราะว่ามันเออมันชํานาญไปทางนูน่นมันไม่ได้ชำนาญ เพราะว่าการที่ยวเราจะมานั่งหลับตาภาวานาเนี่นั่งชั่วโมงหนึ่งมันเป็นไม่รู้านานเป็นนานเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดโอ้ยขาก็ปวดอ่เนี่ถ้าเรานั่งคุยกันละ่ะบุดเดียวชั่วโมงแล้วเนี่ยมันลืมอย่าเรานั่งดูทีวีสิดูเขาทํามโนเท่านี้มันลืมมันก็นั่งบุดเดียวมันก็เนี่ยไปแล้วอ่าเดวก็ชั่วโมงแล้ว เนี่เรามานั่งภาวนาเนี่ยโอ้ดั่งสัปโมงหนึ่งเนี่ยเป็นไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาตีแล้วนาฬิกาจะตีเมื่อไหรก่ก็ไม่เห็นมันตีว่ะมันนานเนี่ยเพราะว่าจิตมันไม่ชอบอ่มันไม่ชอบมันถึงมันถึงจะอืมแต่นั้นถึงว่าวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรามารวมกันถึงว่าขอ <c oughs> งตาก็า อาใัได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์บ้างแล้วก็ลำมาทมาเองบ้างอะไรอ่ระผสมปัจเจกันกาติโยมทางทีวทีก็มาหลายสองสามเที่ยวแล้วอยากจะฟังหลวงตาเทศก็ไม่ใช่นักเทศอหรอกอ่าเป็นนักเที่ยวเที่ยวจนว่าอหมดเที่ยวแล้วก็รู้วถูจนว่าสามถูถถถ ถูดงถูดันถูดอยถูไปลงสันตั้งแต่นูน่นถูขึ้นเขาขึ้นห้วยลงห้ว ย, วยไปเนี่ยไปอะไรก็ไปหาหาอยู่ที่ตวงเราเลยละ่ะแต่ว่าหาที่สงบหาที่วิเวกที่ไหนวิวุ่นมันท่านว่ามันภาวนาไม่ไม่มันภาวนายาก ท่นเลือหาที่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกออุปัิวิเวกเออหาที่ป่าพระพุทธเจ้าท่านตัดทะลในป่าอเพราะขนาดอยู่ในป่าเนี่ยเป็นที่วิเวกทําให้จิตใจเพราะวันนีมีสิ่งกระทบท่นเลือหาสถานที่อสถานที่สปายะเนี่ย สถานที่ศัพะะท์นว่ามันเป็นอุปกรณต่อสมาธิค่ะว่างั้นออย่างพ่อแม่ครูบาอาจารนะย์นก็ดูในธรรมในหิวในปู่ใ น, ในปา่าในดงอยู่ในที่มันกลัวๆเสื อ, อเสือสางช้างอะไรเกิดความกลัวขึ้นมามันก็ไม่มีที่พึ่งมันก็นมา ล, ลึกล่ะเพ อ, อนั้นอยู่ว่าถ้าพวกเรามีความพยายาม ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นอยู่ในป่าก็ได้อยู่ในที่ไหนก็ได้เขาว่าอะไรมันก็อยู่กับพวกเราหมดผมขนเล็บฟันนังสิอยู่ก็ลหมดคนอื่นก็เหมือนกันนั่นเรียว่าเป็นไตรัดไตทุกขังอันนี้จังอันั้นตายมีกันทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีสัตว์โลกทั้งหลา ย, ยามาตาย อ่าถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายกันทุกสัตว์กันทุกสัตว์ประเภทไหนก็ตายประเภทสัตว์าานี้ชา้นสัตว์มนุษย์สัตว์อะไรก็ตายมดสังขารกายสังขารวาจาสังขารเนี่ยไม่ไม้กีหลังย่งยืนไม่คงทุนถาบ่อนั่นละเรียกว่าไอ้พวกเราอ่าวันนี้ก็ <c oughs> ตาก็จ ะ, ะ, <c oughs> จะแสดงให้พอเป็นเครื่องเตือนใจเอาใจบา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 ยัตถะตถาตทาขะตตอาจาราสุปิตาติมัตธมมวริยยัะอทสะายัสมเิสจังธรมโมสตโบติท่ากันตั้งใจเพราะว่าการทำจิตตภาวนานี่ เราต้องพยายามยกจิตขึ้นพิจรารณากายพิจรารณาเวทนาพิจรารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมเป็นเทือคของจรของจิตถ้าจิตเราอยู่ในอารมณ์เรารู้อยู่ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาที่เราเนี่ยเราจะรู้ตาโตตาโตจะพุคโธตาโต ตุตมโมนิวารีบาป hmm. เกิดขึ้นจากอารมณ์ใดจงห้ามใจจากอารมณ์นั้นเพราะว่าเราได้ละลึกน้อมพิจารณาเราเห็นอยู่เอออันนี้มันเกิดขึ้นมาเราไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอามันมาเอามาคิดมากองมันก็ไปเกิดประโยชน์ท่านเรียกว่าให้ละลึกแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ เอประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์อย่างยิ่งแต่ว่ามันของที่ทําได้ยากแล้วทําได้แล้วมีประโยชน์มากอแต่ทําให้ตัวเองนั่นแหละแต่ว่าทำไมถึงไม่อยากทําเพราะว่าความขี้เกียจขี้ค้านนี่แหละตัวสำคัญแล้วกับวันนั้นเถ่อนวันนี้เถือนแล้วก็นอนก่อนแล้วก็อะไรก่อนมันอ้างการอ้างเวลาอยู่นะั่นมันไม่อยากจะทํา เห็นมันลากมันเอบอกมันเตือนมันโอ้เอเกิดมาเนี่ยอายุเนี่ย น, น้อยแล้วเกินอายุยงเข้ามาสามสิบสี่สิบเนี่ยมันจะมีโรคเข้ามาแล้วมาแทรกแล้วอแต่ก็ยังพอไปได้มาได้แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้เลยโรคมันก็เข้ามาไม่บอกด เ, อเด้เล้วก็โรคหูโรคตาโรคอะไรโรคฟันโรค ผิวหนอกผิวหนังอะไรแตแล้วแต่มันจะเป็นขึ้นมาเราก็ไม่อยากได้มันแต่มันเป็นเราลักมันขนาดไหนขนาดเราอาบน้ําอาบท่าทั้เช้าทั้งเย็นเอาข่าวเอาน้ำให้กินห่มผ้าห่มพรเขาก็ไม่ฟังคําเราเขาก็หาแต่เรื่องอ่านั่งนานมันก็เจ็บถ่านอนไหลมันก็เจ็บนั่นละ่ะความเจ็บแล้วความแก่แล้วก็ถึงความตาย นี่เพราะว่าอสังขารอันนี้มันไม่คงทนถาวรไม่กีรังยั่งยืนแล้วท่านว่าถึงว่าให้เอาสิ่งที่ไม่คงทนถาวร น, นี่ล่ะมาทําให้มันเกิดประโยชน์ซะล้วอย่าปล่อยให้มันไปไปตามอมกระแสของมันเอามันมามท่านว่าทําให้เกิด ประโยชน์สิ่งที่ไม่จีรังยั่างเยินสิ่งไม่คงทนถาวรถ้ามาทําให้คงทนถาวรอท่านว่าให้หาอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่คงทนถาวรส่วนมากหาถึงเป็นทรัพย์ภายนอกกันทรัาภายนอกมันมันจีรังยั่งเยินไม่คงทนถาวรเดี๋ยวมันก็อันตรธานไปแต่ว่าทรัพย์ภายในเนี่ยคือว่าทรัพย์ที่อคงทนถาวรทรัพย์ที่อ ไม่อันตลาอันตรท า, านไปได้เพราะว่าอยู่ที่ตัวของเราทานชินหิลิโอตปะพระหหส จ, จะจาคะปัญญาอันนี้เป็นอัยทรัพเป็นทรัพที่คงทนทาวรเป็นทรัพ์จีลังยั่งยืนให้มันมีซาในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อเวลาเรายังแข็งแรงยังมีลมหายใจก็ออกอยู่ถ้าหมด ใกล้จะหมดลมหายใจเขาออกถึงจะมาละลึกนะ่ยมันไม่ทนันฮเพราะว่าเราไม่ได้เก็บมา ไ, ไม่ได้ฝึกไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเราปล่อยให้มันไปกลัวจะมาละลึกได้มันไปไกลแล้วมันค ล, าคลา้ายๆว่ะมันไม่มีตัวมีตัวเออมันไม่ค ล, าคลา้ายๆว่ะนกคือมันบินอยู่ในท้องฟ้าจิตอันนี้ มันเอายากมันไม่มีตุลไมีตัวแล้วก็เหมือนปลาล่องอยู่ในน้ำนั้นนะมันก็ไม่เห็นตัวมันเห็นไปไม่เห็นล่องเห็นลอยนั่นแหละคนนั้นทึงไม่อยากจะทำคนทึ่อยากจะไม่เห็นลลึกไม่พิจรารณาปล่อยเวลาล่วงผ่านไป ให้มันผ่านไปผ่านไปเล่ก็หมดไปหมดไปร่างกายเนี่ยทั้งขานเนี่ยมันไม่อยู่คงที่อ่ามันไม่อยู่ที่เก่าปั๊บมันก็ขยับไปเรื่อยอ่าเนื้อหนังมางต่างที่เราว่ามันอ่เนี่ยยังตึงยังตึงอยู่มันก็หย่อนไปตานี่ก็ค่อยมัวค่อยฟังไปหูก็ก็ไม่เคยจะดอกจะได้ยินพูดกันก็ไม่ค่อยจะ ชัดเจนเพราะว่ามันนั่นแหะมันแปลไปผวนไปฟันก็เหมือนกันฟันก็หลุดไปนี่ของจริงมันปรากฏให้เราเห็นแล้วหัวมันก็เขาเออมันเป็นแบบ น, นั้นนันเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมันไปคงทนถาวรไม่จีรังยั่งยืนอ่าค่อยก่อนไปเรื่อยแต่ว่า เรามองเห็นแล้วว่าเออร่างกายของเราเนี่ยนับแต่วันมันจะทุดไปเรื่อยๆ เ, เราพยายามทำคุณงามความดีไว้ซะเป็นทุนเป็นรอนไว้จนกว่าจะเราจะหมดลมหายใจเข้าออกก็ยังดีกว่าเราปล่อยเวลืมเวลาไปเกิดทั้งทีทำเออจะฝากดีเอาไว้จะตายทั้งทีทำดีเอาไว้วออหลวงปู่แหวนท่านบอก แล้วเวลาเขาอ่านประวัติเขาก็ยังจะพอที่จะว่าโอ้ออพ่อแม่หรือปู่ย่าตาทวดหรือคนนั้นคนนี้ก็เคยรักษาถิ่นไหวพระทวดมนต์เคยเข้าวัดเขา้าวานเลฟังเทศฟังธรรมเขาก็ยังพอว่าอยู่อันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเขาจะเอาอะไรมาอ่านประวัติไม่มีนั่นล่ะคืนว่าประวัติที่ดีๆนั่นเขาจะซึ่งเอามาอ่าน ประวัติชั่วๆเขไม่ปรวัตไม่ อ, าอาา่านดอกมาอ่อานทําไมนี่แหละแล้วถือว่าทําความดีไว้ออก็ไม่ไปค้ น, น, ค, นคนอื่นก็เป็นของเราเหมือนอย่างเรากินข้าวเนี่ยเราทําเมื่อไหร่เราก็ได้อได้เรากินเมื่อไหร่เราก็อิม่มเพราะว่าเป็นเอมันทําเผื่อกันไม่ได้เห็นไหมว่าทำเอาเองรู้เองเห็นเอง ปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนอ่ก็รู้ที่ตัวสังขารของเราเนี่ยแหละมันปรุงมันแต่งไปแล้วเราก็รู้อ่ให้มันทันก้าการปรุความปรุงแต่งนนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกเป็นนัไม่ทันมันได้มันเร็วเอ่มันมีแต่ความทุกข์อ่ะเราพิจารณาดูรูทุกข์เดี๋ยมันตั้งเกิดตั้งแต่ออกมาโม น, นุนทุก ออกจากมาจากท้องแม่ทุกมาเรื่อยๆทุกมาไอความสุขมันอยู่ไหนล่ะเหมือนพยับแดดเดี๋ยวมองไปไเห็นเป็นตัวเหมือนเป็นส่วนเป็นตันเนตวเมื่อเวลาไปแล้วก็หายวับไปความสุขแค่นั้นแหละและ้วมิตรความทุกข์ห้ำหันอยู่นั่นล่ ะ, ะแต่ว่าคนไม่ได้พิจารณาไม่ไดอปนันโยโกมันก็นเลยเพลินไปลืมไปจนกว่าว่า จะเลลึกได้มันหมดแล้วแข้งขาก็เดินไม่เคยได้แล้วหูตาก็มัวไปแล้วจะไปฝึกอะไรมันก็ฝึกยากแล้วเพราะว่ามันมันหมดสภาพแล้วฝึกไม่ไหวแล้วนั่นละ่ะท่านว่าให้ฝึกว่าตั้งแต่เรายังแข็งแรงนี่ละ่ะอะไรอะไรก็เราก็พอจะทำได้นั่งเราก็นั่งนานก็ได้ เดินเราก็เดินไกลได้นี่ก็พอจ ะ, อะทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเวลาแก่เท่ามาหลังก็โอ้ยปวดนอนก็ปวดนั่งก็ปวดมันเจ็บทำอะไรก็ม่ตะเวทนาจะเข้าครอบงำจิตมันก็เลยเศ่้ามองไปเตําปวดเตมนั่นแหละเริ่มหลงเพราะว่ามันละเอียด จิตตัวนี้นละเอียดแล้วมันก็ <c oughs> ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันก็ละเอียดอถ้าคนไม่ระลึกไม่พิจารณาไม่รู้จักมันมีอมันย่อมยังไม่กระทบถ้ามันกระทบเข้าไปแหละมันก็โอ้มันขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันอยู่ คล้ายๆว่าไม่ขีดไฟมันอยู like ่ในกล่องลูกมันมันมีหัวเชื่อไฟอยู่นั้นเวลากระทบบารมันก็เกิดไฟขึ้นมานี่เหมือนกันความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนกันเมื่อเวลาอความหลงนี่เมื่อเวลาท่านเปียบเหมือนกับไฟอยู่ในหิน ไปอย่ในนี้เรารู้จักว่า ม, มีไฟอุคานไปกระทบมันจะออกแสงไปเลยออยู่ในเหล็กเหมือนกันแล้วไม่รู้จักว่ามีไฟนั่นแหละมันซ่อนอยู่ข้างในอันนี้ก็กีเลสของเราก็เหมือนกันอ่ามันซ่อนอยู่นั่นเวลามโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราเอาไม่ทันอ่าเพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้เออนี่มันมันก็เลยเราก็ไปเป็นทาสของมันเลยว่า มันก็จุงดึงไปทําให้เราจิตใจของเราเศร้าหมองขุนมัวหุ่นวายฮนะเกิดมาก็ไม่มีทางออกบางคนก็ออ ก, อ, อ, กอะไรกร <c oughs> ะดูดน้ําตายแล้วก็ขาตัวตายอะไรตายก็เพราะอันนี้แหละเพราะจิตตัวเดียวเนี่กายไม่จะรู้อะไรไม่รู้จักอะไรหรอกครับจิตตัวนี้มันไม่ผ่าไปนั่นแห ะ, ะท่านเราให้ฝึกจิตเนยให้มันงามเมืองต้นงามท่ามกลางงามเมืองไป งามเมื่อต้นในแก่เี้ยงามข้ามกลางในแก่สมาธิงามเมื้อปลายด้แก่ปัญญาอธิกรณียนางมัทเชกุรยานางปริโยสานักกุรยานางเอองามเมื่อต้นงามเมื้อปลายงามท้ามกลางงามเนี่ท่านว่างามสามอย่างเนี่ยถ้าเราอยากได้งามเนี่ยมันทํายากอ่ากว่าจะทําได้โอยเออมันไม่ของทําง่าย เพราะฉะนั้นด้วยว่าแต่ของทํายากนี่แหละท่านว่าให้ทำมันเกิดประโยชน์อ่าแต่ของที่มันทําง่ายมันไม่มีประโยชน์มันทําให้เราเดือดร้อนความชั่วไม่นทำทเช่นไรดีกว่าเพราะทําแล้วเดือดร้อนตามภายหลังความดีทํานั้นแลดีกว่าเพราะทําแล้วไม่เดือดร้อนตามภายหลังเนี่ยฮะท่านบอกว่ากาจิราเจกาจิราเทนังท่านจะทําสิ่งใดขอให้ทําสิ่งนั้นเถิด แต่ทำบักบันทำจิต่า้ให้จริงจริงกายจริงวาจาจริงใจถ้าเราทำจริงท่านว่าต้องเห็นไม่วันไหนก็วันหนึ่งแต่ว่ามันทำยากถ้าทำยากนี่แหละผลมันถึงไม่อยากทำถ้าทำง่ายเนี่ยมันก็ทำกันหมดไปกันหมดแลวจะไปกองกันทำไมอยู่ในผู้ เออหาว่าให้นั่งสมาธิภาวนาเดินยมกรมไหว้พระสวดมนต์ไม่อยากเอาเฮเพราะว่ามั น, มนกิเลสมันไม่ชอบอสวดมนต์หลายนานหลายเกินไปก็ไม่ได้ปะท่องขบวนสมบกักเฮ อ, อยากจะได้ของง่ายๆมันก็ของง่ายแล้มันไม่ดีพันว่าของอะไรทำอะไรก็ให้มันมาก ทำให้มากเจริญให้มากนั่งสมาธิก็แค่ห้านาทีเอาแล้วฮะโอ้ทำมากไม่ได้หรอกว่ะปวดขามันก็ปวดนั่นแหละขาเนี่ยไม่มีใครไม่ไมปวดไม่มีเหล็กมีขางก็ขนออกนั่งไปมันก็ปว ด, ด น, นั่นแหละนั่นล่ะของจริงมันว่านั่งดูของจริงเออนี่แหละของจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันปวดขึ้นมากร็ช่างมันเอาปวดทับมันอยู่นั่นนั่นท่านว่ามันจะเห็นแหละ มันจะรู้ขึ้นมาโอ้สังขารอันนี้มันบอกไปได้เอาไรไม่ฟังว่าบอกจะให้มันเก็บมันก็เก็บว่าบอกจะให้มันปวดมันก็ปวดเนี่ยเป็นอยังไงถ้าเราเข้าใจแล้วโอ้อันนี้มันอืมนั่นแหะไตลักปวดทุกขังอันนี้จังอนั้ตานี่แหละอทุกขังไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์อันนี้จังก็ไม่ใช่มันไม่ <c oughs> ไม่ยั่งยืนไม่คงทนสาวร อ, อันนี้อ น, นัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ถ้าเราทำอยู่เรื่อยพิจารณาอยู่เรื่อยมันจะเข้าใจเพราะว่ามันก็อยู่ของเราหมดเแต่ว่าเรามันขาดการพิจารณาขาดการ และเลึกขาดกันารขาดความเพียรเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเรายมันยังไม่พร้อมอ่าข้าความพร้อมเมื่อไหร่ล่ะมันจะไปของมันเองนั่นแหละทันทีญญว่าทําเอาเลยเออทําไปเลยทําไปเรื่อยๆอย่าไปปรารถนาว่าอยากโน่นอย่างนี้ไม่ไม่ปรารถนาแต่ปรารถนาแต่ปากแต่ปัจปจัยไม่อไม่ได้มีความเพียรอะไรมันก็ไม่ได้อ ปรารถนาก็คือการทํานี่แหละอ่ะาขันก็ทานี่แหละปรารถนาอ่าอยากได้นิพานแต่ว่าเราไม่ได้ไปทางนิพานแตแล้วไปทางใหม่พูนความปรารถนาเฉยมันก็ไม่ได้อ่อย่างที่เราเมาเทียบนี่เราไม่มาทางถนนเส้นที่มันมางเทียบมันก็ไม่ถูกอมันเป็นสัตว์นี่แหละอือให้เราเข้าใจว่า ไอ้ตัวสังขาอนเนี้ยมันปรุงมันแต่งกายสังขาวาจาสังขานใจสังขานเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่ตรงที่อเราไม่ให้มันปรุงไม่ได้แต่ว่าปรุงในทางที่ถูกปรุงในทางที่มีประโยชน์เหมือนอย่างเราปรุงอาหารนี่แหละถ้าเราใส่ของเค็มเกินไปมันก็มันก็ไม่อร่อยนี่ครับไม่ใส่พริกใส่เกลือมันก็ว่าอร่อยนี่ก็เหมือนกันอ่า เราปล่อยให้สังขารตัวนี้ไปตามกระแสของมันมันก็ไปถ้าเราไม่ยกไว้ถ้าเรายกให้มันอยู่ใน อ, อารมณ์มันเอามายากดึงมันมาอมันปรุงไปแล้วก็ดึงมันมาเนะดึงก็อยู่นั่นแหละเจ้ า, ายืนเดินนั่งนอนท่าว่าหายและเลิอกอยูอ่ให้มันชนานาญน่แหละ ความชำนาญแล้วมันจะรู้ขึ้นมาเองอถ้าเราไม่เลยทํานยมันจะเปานชำนาญได้ไม่มีหรอกอลูกครูบาอาจารย์ฝึกกันจนต้นลม้มหลดล้มรอ ด, อ ด, อดตายนั้นก็ยังนี่อยู่แต่ไปเห็นหลวงปู่แหวนท่านก็ยังมีหลงอยู่แน่ขนาดพวกเราฝึกขนาดนี้มันจะไม่หลงได้อย่างไรไปเห็นแล้วอ่ะโอ้หลวงปู่เวลาป่วยไข้เข้ามามันเวทนามันครอบงานนี่มันจะ ล้มไปหมดเลยอ่นั่นแหละแต่ว่าท่านยังระลึกได้พอลูกทิ้นลูกหาเตือนบอกว่าลูกปูอย่าไปเล่นผ้ามันเหมือนไม่ได้เรื่องนะต้องภาวนานนะถ้าก็หยุดเวลาเนะวลาคล่อมเงาเรื่อยๆถ้า <c oughs> <c oughs> เวทนาไม่เข้าหนักๆเข้าเลิบอีกเด็ดตองขนาดนั้นแนหะท่านยังมีลืมอยู่ยังพวกเราเนี่ย ฝึกแค่เนี้ยอย่าไปว่ามันจะไม่ลืมเลยโ้ยไม่ทันมันเดี๋ยวเพราะฉะนั้นจึงว่าฝึกไปเรื่อยๆถึงจะไม่ได้มากได้น้อยก็เป็นของเราเออไม่มีใครทำให้กันได้ทำเองรู้เองเห็นเองท่านว่านั่นลหละถ้าว่าถึงปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเพราะว่าร่างกายทุกอย่างมีกันทุกคนผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บผมขน อันนี้ละ่ะท่านให้พิจรารณาอยู่นี่เมื่อเวลาไปห า, าไปบวชทีแรกอุปชาท่านกรสอนตัวนี้อันนี้ละ่ะฮะไปอยู่ป่าอยู่เขากันให้พิจรารณาเกณฑ์สาโรมาณาราตันตาตะโจนี่ละ่ะฮะให้ดูให้มันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของสกปุกโสโครถ้าเราไม่อาบน้าวันหนึ่งโอ้มันก็จะมีกลิ่นมีอะไรขึ้นมาเลยนี่ ท่าน้พ nah ิจารณาอยู่นี่อุปถาท่านสอนเกสาลูมานาขันตาตะจูดิผมขุนเล็บฟันหนังพิจารณาอยู่นี่นี่ละทนว่าจิตตะภาวนากรรมฐานอ่าเป็นตจัปัญจตาตจะปัญจกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยก็อยู่ตัวคุกคนไม่มีใครจะไม่มี อฐานอันนี้แต่ว่า <c oughs> พวกเราไปได้พิจารณาไม่ได้ยกจิตขึ้นไปนานโซ่ศัตรูว่าท่านเห็นพิจัยยกจิตขึ้นไปนานนี่แหละดูลมหายใจเข้าออกด้วเหลือใครงไม่ออกว่าหายใจเขาออ้ า, เขาไม่ออกมันก็ตายหายจ อ, อกไม่เข้ามันก็ตายมันตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยกระลอน เข้าไปห้องน้ำเนี่ยมันก็ตายแล้วเนะี่ไปดูที่แล้วมันอยู่ในตัวของเรามันก็พออยู่ได้แต่ว่ามันออกไปแล้ววาเอาให้ก็ไม่เอาห่อให้ก็ไม่เอานั่นแหละอาจมเป็นของคกกระปุกของเน่าถ้ามันอยู่ในท้องเราเนี่ยถ้ามันมีหนังปิดไว้นี่ก็ไม่ว่าเลยแหละฮะมันจะเน่าขนาไหนนี่ท่านพิจารณาอยู่นี่พอท่านถ้าพิจารณาให้เข้าใจแล้วก็ ฮั่นก็นวอกเป็นผู้ที่ใกล้ต่อใกล้ต่อพระนิพพานฮะเพระให้พวกเราเข้าใจออันนี้เป็นอุบายลวงตาก็ให้อุบายเพื่อเป็นคติเตือนใจอให้เราไปให้พวกเราไปแล้วลึกให้ไปไปพิจารณาดูเออมันจะจริง อย่างที่ท่านบอกไหมถ้าจริงก็ถึงเอาไปประพฤติปฏิบัติจึงไหนมันดีเราก็ไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นถึงวาพวกเราทุกท่านทุกคนนะที่มาวันนี้หลงตาขออนุมโมทนาด้วยบุญด้วยกุศลที่เราทำอะไรแล้วขอจงเป็นพลว ะ, ล ะ, ละปัจจัย ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญในพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนเทอญเอวัง